มองดูงลูบดั่งจีเราเคยใช้ด้วยกันมันเป็นเวลาพิเศษทีมันเหมือนดังฟัน ความรักที่ใจเธอไปในวันนี้เหมือนเธอจะไม่สนใจทุกคํำที่เธอได้เอ่ยมาไม่นิดเลยว่าเธอเนจะเอ่ยลาทุกความรู้สึกที่ตัวฉันมีก่อนเธอนอนฉันเคยบอกฝันดีความรักที่มอบให้เพื่อใครมาถึงวันนี้เธอบอกว่าเธอหมอเดเยื่อ่ยความรักที่มีเธอมันคงไม่มาขอเหมือนกับเขาจูบลาคนสุดท้ายก็ไม่มีคํา บอกสุดท้ายก่อนฉันจะเงาจากนี้คงไม่มีคำว่าเราสุดท้ายหลังเราคงเลืแค่เงาฉันยังรักเธอ เธอเจอฉันไปไม่มีเหล่าเยื่อใยเธอทำที่เธอจีนไปความรักที่มีเธอมันคงไม่มากพอเหมือนกับเขาจบหลังสุดท้ายก็ไม่มี come around โชคดีนะเธอบอกสุดท้ายก่อนฉันจะเหงาจากนี้คงไม่มีคำว่าเราสุดท้ายรัก เราคงและแค่เงาดูดุดเด่นของเธอเกิดช่างงดงามเหมือน i ำไม่มีอะไรเป็นไปแต่ที่เป็นไปคือรักเล่าไม่อยากที่เรื่องแบบนี้มันเกิดไม่ยูทัึงใจหรือบัเอิญเธอเธอเลิกลิขิตจา ก, จกไปฉันก็ไม่ขอรองเธอวันสิ่งใดตัว เ, เธอกับมาแต่เจอตุ๊กคงจะ อ, อยู่ทิ่เขาแต่เธอคงไม่ได้อยู่ชี่เรา สุดท้ายอยากจะบอกเธอว่ารักเรามันคงไปต่อไม่ได้อีกแล้วความรักที่มีเธอมันคงไม่มากพอเหมือนกับเขาจบลาครั้งสุดท้ายก็ไม่มีคำว่าเราฟัวร์โฮลโชคดี สุดท้ายก่อนฉันจะเหงาจากนี้คงไม่มีคำว่าเราสุดท้ายหวังเราคงเหลือแค่เงา